ซึ่งทางชุมรมผลดีจะทำไว้แล้วนะครับสังคคุณประการที่สยายะปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นคำว่ายายะในที่นี้ตามสับแปลว่า